วิเคราะห์สังคารทิเศธเธอจงฟังอาบัตที่เราเรียกว่าสังคารทิเศษตามลำดับสองเหล่านั้นให้ปริวาสชักเข้าหาอาบัตเดิมให้มานัดอัิพานเพราะเหตุนั้นเราจึงเรียกอาบัตนั้นว่าอาบัตสังคารทิเศษ